ครูบาอาจารย์ท่านย้าอยู่เสมอว่าพิจารณาจิตนี่มันก็ต้องกลับมาที่กายเพราะจิตมันเป็นลมต้องกลับมาที่กายผมเองอย่างวันนี้ผมนั่งมานี่นะครับจริงๆแล้วมีเรื่องที่ผมอยากจะพิจารณาอย่างมากมายหลายเรื่องในจิตของผมนี่มันวุ่นวายอย่างเช่นว่าผมอยากจะสอบ สอบผ่านแล้วผมอ่านหนังสือทำอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดทุกวันนี้จริงๆเรียนคุณลุงอย่างนี้นะครับว่าสมาธิผมดีมากเลยคืออย่างเช่นว่าผมเอาหูฟังมาฟังเรื่องที่ผมพูดอัดเสียงเพื่อสอนตัวเองนี่ฟังไปแล้วจิตมันไม่วอกแวกไปยังไงเลยครับมันแน่วแน่ในเรื่องเดียวเลยที่ผมเตรียมที่ผมซ้อม คือผมรู้เลยครับว่าเดี๋ยวนี้สมาธิผมดีจริงๆแต่อย่างไรก็ตามคือเวลาผมมาภาวนานี้มาพิจารณาเดินปัญญาพิจารณากายพิจารณาอะไรพวกนี้พิจารณาไม่ไปครูบาอาจารย์ท่านก็บอกมาว่าผมเข้าใจมันเกี่ยวกับการเวลาบุคคลสถานที่คือช่วงนี้ทุกครั้งที่ผมมาหาคุณลุงนี้ ได้ผลอย่างมหาศาลต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามหาศาลเลยคือปัญญาหลายอย่างมันคลี่คลายหรือแม้กระทั่งถามคุณลุงเมื่อกี้นะครับถามเรื่องสัญญาสังขารที่พอคุณลุงตอบมานะครับผมเองยังไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับเรียนตรงตรงแต่ในใจมันโล่งมากเลยนะครับพอถามคุณลุงตอบในใจเบาเลยนะครับ เบาแบบว่าไม่มีปรีไม่มีครุยผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่คุณลุงต้องเข้าใจได้ดีคือมันเป็นความจริงตอบไปปุ๊บคุณหมอได้เห็นตามความจริงคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้มันเถียงไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเถียงไม่ได้เลยถ้าผู้ปฏิบัติเข้าใจเพราะเป็นความจริงตลอด จึงไม่มีอะไรปฏิเสธท่านได้เลยฉะนั้นการฟังธรรมนั้นประเสริฐที่สุดบารมีที่เคยสร้างส ม, มามากน้อยโดยเฉพาะกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆก็เป็นส่วนหนึ่งคราวนี้เราฟังจากองค์นั้นไม่เข้าใจแต่ฟังจากครูบาอาจารย์องค์นี้อาจจะเข้าใจก็เพราะว่าบุญกุศลเราเคยทําร่วมกันมาอันนั้นก็เป็นเหตุปัจจัย คือเรื่องสังขารเรื่องของขันทั้งหลายจิตหยิบยืมมาใช้ทั้งนั้นความจริงมีอยู่จริงตามหลักธรรมชาติทั่วไปเช่นความคิดอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ก็ยืมเอามาใช้ถึงเวลาตายแล้วเขาก็อยู่คู่โลกต่อไปเพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติคุณลุงครับ ผมขออนุญาตถามเรื่องอสุพานะครับอย่างเช่นในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าการพิจารณาอสุพามันมีอยู่สิบแบบอย่างเช่นว่าเราพิจารณาว่าศพศพเราตายแล้วนี่ก็ขึ้นอืดศพเราตายแล้วนี่ก็มีหนอนมาชอนชัยศพเราตายแล้วก็พองมีสีเขียวเขียวดำๆำศพเรามีเลือดไหลออกมาศพเราขาดเป็นท่อนๆ ศพเราถูกสัตว์กัดศพเราผูกกร่อนเหลือแต่กระดูกตรงจุดนี้คุณลุงมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับคือต้องถามว่าคุณหมอสงสัยตรงไหนคือในบางลักษณะาการพิจารณาผมไม่ถนัดที่ผมถนัดก็คือผมกำหนดไปว่าตัวผมตายแล้วกลายเป็นศพอาจารย์ใหญ่ตอนที่ผมพาตัด แล้วศพไปดองคือนั่นผมเห็นว่าเป็นดินเห็นๆ เ, เลยนะครับคือตอนผ่าจำแลสํำและไปมันก็มีแต่ดินอันนี้อันหนึ่งที่ผมชำนาญอีกอันหนึ่งที่ผมชำนาญก็คือพอตายแล้วก็ค่อยๆผูกกร่อนสลายไปเหลือแต่กระดูกแล้วก็กลายเป็นฝุ่นไปเลยอันนี้ผมก็ชนานาญนะครับ ในขณะที่คุณหมอผ่าศพและพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตรงนั้นแหละเป็นปัจจุบันธรรมอย่างที่ผมได้พูดให้คุณหมอฟังตั้งแต่ตอนแรกที่คุณหมอว่าในพระไตรปิฎกเขาเขียนเอาไว้ว่ามีการพิจารณาสิบแบบอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเราได้ไปดูที่เขาถ่ายทอดเทปนะพระไตรปิฎกก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ของจริงไงแต่ของจริงๆก็คือการถ่ายทอดสด เอากล้องไปจับตรงนั้นเลยเห็นหน้าขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นเรียกว่าเป็นธรรมที่แท้จริงเป็นธรรมสดๆเป็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่เราสัมผัสมาด้วยตัวเราเองน้าขนาดนั้นใช่ไหมครับถูกต้องถ้าฉะนนั้นเวลาคุณหมอพิจารณาอย่าไปเอาตำราอย่าไปเอาที่เขาว่า แต่ขอให้เอาที่ใจคุณหมอเองณนะปัจจุบันนั้นถนัดตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยอะไรที่เราสามารถเข้าใจได้ในตัวเราเองเอาตรงนั้นเลยตรงนั้นถูกต้องที่สุดอันนั้นเรียกว่าปัจจุบันธรรมอะไรเกิดขึ้นในใจก่อนสงสัยตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นเลยอย่าไปเอารูปแบบรูปแบบนั้นเป็นเพียงความจำ เป็นเพียงความคิดที่เราคิดตรงนั้นไปเอาตรงนั้นมันก็เป็นความจำที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะแต่ที่ท่านเขียนไม่ใช่ว่าของท่านไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถูกต้องทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราต้องเอาตรงนั้นนะ่น้อมเข้าหาใจน้อมเข้าหาจิตของเราเองแล้วมาพิจารณาตามที่เราเห็นตามความเป็นจริงนี่ ยังคุณหมอพิจารณาตรงนั้นถูกต้องแล้วตายแล้วก็เอาไปทำศพอาจารย์ใหญ่อย่างที่ว่าแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงตรงนั้นถูกที่สุดเป็นปัจจุบันธรรมคือเราเอามาจากใจของเราเองนักขณะนั้นโดยไม่เอาสิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาซึ่งเป็นสัญญาทั้งนั้นวางสิ่งเหล่านั้นให้หมดคือท่านเรียกต้องเอาไว้บูชา เอาไว้ตรงที่บูชาก่อนความจำได้หมายรู้ต่างๆที่เราได้เคยเรียนมาทั้งหมดนั้นที่เราเรียกว่าปริยัตนั้นวางไว้บนหิ้งก่อนเราไม่ให้ดูถูกดูแคลนหรืออะไรแล้วให้มาดูในจิตใจของเราเองนี่แหละดูจิตก็ดูตรงนี้เองธรรมะเกิดขึ้นตรงไหนไม่ได้ไปเกิดขึ้นในตาราหายสงสัยหรือ ย, ยังละ่ะ หายสงสัยแล้วครับกำหนดได้หมดเลยครับถูกต้องอย่าไปเอารายละเอียดตรงนั้นก่อนตรงนี้ก่อนอย่างนั้นนะความจําเหมือนเราไปดูหนังภาพยนตร์ที่เขาถ่ายทำไว้นานแล้วหรือเหมือนหนังที่เขาเล่าให้เราฟังไม่ได้ดูเองอย่างเช่นในกอไปดูหนังมาแล้วมาเล่าให้เราฟังว่า หนังเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในพระไตรปิฎกก็เหมือนกันแต่หนังที่เราดูเองก็เหมือนคุณหมอพิจารณาเองตรงนั้นนะ่ะเรียกว่าปัจจุบันธรรมคุณหมอไปดูหนังด้วยตนเองปัญญาจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าหนังที่เราดูด้วยตนเองนี่แหละไม่ใช่หนังของคนอื่นมาเล่าให้เราฟังเอาใจเราเป็นหลักอันนี้คือปัจจุบันธรรม กิเลสเกิดขึ้นตรงนี้เราโกรธตรงนี้เราพิจารณาตรงนี้ความโกรธมันทำให้เราสุขหรือทำให้เราทุกข์โกรธแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรเขาด่าเมื่อวันศืนแต่เราเอามาคิดตรงนี้เวลานี้เขาไปหัวร้อยอยู่ตรงนู้นนะ่ะแต่เราเอามานั่งเผาตนเองอยู่ตรงนี้ถามว่ามันเหมาะหรือไม่มันดีหรือไม่ ความโกรธอันนี้มันเผาใครกันแน่มันเผาเราหรือมันเผาผู้พูดที่เขาด่าเราแน่ๆนนะแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะคิดขึ้นมาเมื่อไรมันก็เผาเราเมื่อนั้นอาฆาตเมื่อนั้นดีไม่ดีไปฆ่าไปแกงในขณะที่เขากำลังหัวร้อยอยู่เราก็เข้าไปติดคุกติดตารางอีกมันมีแต่โทษความโกรธมันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย มันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะต้องละความโกรธณนะขณะนาบปัจจุบันธรรมที่มันเกิดขึ้นความโลภ ก, ก็เช่นเดียวกันมีเท่านั้นก็ไม่พอมีเท่านี้ก็ไม่พอเราจะยกประเทศไทยเป็นของเราคนเดียวยกโลกทั้งโลกเป็นของเราคนเดียวกิเลสเป็นอย่างนั้นความหลงก็ที่ว่าโน่นก็เรานี่ก็เรา ลูกของเราเมียของเราสมบัติของเราในที่สุดแม้แต่สมบัติคนอื่นก็ยังอยากจะเอามาเป็นของเราอีกนั่นแหละก็เพราะว่ามันมีเราตัวเดียวเท่านั้นเราดีเราเด่นเราสูงกว่าท่านเราเหนือกว่าท่านเราเสมอท่านก็ไปอย่างนั้นอีกก็เพราะว่าเราตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเผื่อว่าพิจารณาไปถึงขั้นสุดท้ายจริงๆคือไม่มีเราซะเลยนี่รูปก็เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาสัญญาก็คือสัญญาสังขารก็คือสังขารวิญญาณก็คือวิญญาณสิ่งเหล่านี้สักแต่ว่าทั้งสิ้นส่วนจิตก็คือจิตจบมันไม่มีเราเมื่อกี้คุณหมอถามดี ถามว่าจิตนี้มันเป็นยังไงนะผมก็บอกว่าจิตคือชีวิตคือมันเป็นตัวเป็นนะจิตนี้เป็นตัวเป็นตัวเดียวนอกนั้นเป็นของตายทั้งหมดสมมุติทั้งหลายนี่ก็เป็นของตายทั้งหมดเลยมีจิตเท่านั้นที่เป็นของเป็นนะแต่ของเป็นนั้นถ้ามันเป็นของเป็นเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันเป็น แล้วมีคนมาควบคุมมันนี่มันก็เป็นไปตามกาหนดของผู้ควบคุมไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นอย่างเดียวเพราะคนบ้าที่คุณหมอถามคนบ้า น, นี้มันก็มีรู้อยู่แต่รู้อันนั้นเต็มไปด้วยอวิชชามันก็เลยเลทเทปไปอย่างนั้นรู้เฉยๆมันก็จบเป็นพระอระหันต์เป็นได้โดยไม่ต้องไปทำอะไรเลย เพราะจิตมันเป็นเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเวลาเรากำหนดกลายเป็นศพจิตมันเด่นขึ้นมาผมควรทำอย่างไรต่อ น, นะครับพอจิตเด่นอย่างนั้นก็ถอนจิตขึ้นมาหมายถึงว่าความจริงเราต้องการให้จิตเด่นก่อนเพื่อเอาสติให้มันเป็นอัตโนมัติ ถ้าหากว่าเราไม่ได้ตรงนั้นมาเวลาพิจารณามันก็จะตกเพราะเราจะไม่อยู่กับจิตแล้วการพิจารณาทุกครั้งต้องมีสติทุกครั้งสติก็หมายถึงว่าอยู่กับรู้ได้ตลอดหรือมีจิตเด่นอยู่ตลอดอย่างนั้นนะ่ะมันถึงจะพิจารณาแล้วเกิดผลเมื่อเราพิจารณาโดยปราะศะจากสติหรือความเด่นของจิตนี่ มันเหมือนไม่มีภาชนะไปรองรับผลไม้ที่เราเก็บมาจากป่าการที่เราเข้าไปในป่าแล้วเราไปเก็บผลไม้มาเราจำเป็นต้องมีภาชนะเช่นกระเชา้าเข่งหรืออะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วเราก็จะเอาผลที่เราผลิตได้เก็บได้นั้นมาใส่เข่งคนเอากลับบ้านแต่ถ้าเผื่อเราขาดกระเชา้าขาดเข่งเราก็ไม่รู้จะเก็บผลไม้มากมายเหล่านั้นกลับมาบ้านได้อย่างไร เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมสติจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดคำว่าสติก็คือรู้เด่นที่คุณหมอว่านั่นแหละตัวเดียวกันคือมันไม่ลืมรู้ไม่ลืมจิตจิตมันเด่นอยู่ตลอดทีนี้ถ้าหากว่าสติตัวนี้มันไม่เป็นอัตโนมัติหรือไม่เป็นมหาสติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเวลาเราคิดพิจารณามันก็จะตกไปแล้วลืมจิต ลืมผู้เด่นกลายเป็นสัญญาไปหมดกลายเป็นลมๆแรงๆไปหมดเลยรู้ก็รู้แบบนกแก้วนกขุนทองพูดไปอย่างนั้นแหละแก้วจา๋าแก้วจา๋าก็พูดแค่นั้นแต่ไม่รู้ความหมายว่าแก้วจ๋ามันคืออะไรแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเรามีสติคุมอยู่กับจิตเพราะจิตเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจ เป็นภาชนะรองรับธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาของเรามันก็เป็นผลอันแท้จริงขึ้นมามันก็แตกต่างกันแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นให้ทำสมาธิก่อนก็เพื่อเป็นมหาสติขึ้นมาก่อนก็คือรู้เด่นอย่างที่คุณหมอว่าอันนี้ก็ถอนขึ้นมาพิจารณากายให้มันชัดเมื่อเข้าใจชัดมันจะปล่อยวางกายไปเองโดยอัตโนมัติ เราไม่ต้องไปปล่อยเลยเมื่อเข้าใจเรื่องกายชัดเจนมันจะไม่พิจารณากายอีกแล้วเหมือนเรากินข้าวอิ่มแล้วเราจะไม่กินซ้ำอีกทีนี้ก็มาพิจารณาเวทนาบ้างสมัยก่อนที่ผมปฏิบัติผมก็งงตรงเวทนานี่เอครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าความเจ็บมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เรายังไงนะเจ็บขึ้นมาทีไรมันก็เป็นเราทุกที ผมติดตรงนี้อยู่นานพิจารณาเป็นปีๆในที่สุดตอนนั้นประมาณสักสิบโมงเชา้าผมอยู่ที่ร้านนั่นแหละอยู่คนเดียวเสียด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนความจริงช่วงนั้นขายของดีนะแต่ช่วงนั้นบังเอิญไม่มีคนก็เลยมาพิจารณาเรื่องของเวทนานี่แหละตอนนั้นประมาณปี2536ถึง2537นี่แหละครับ ในขณะที่พิจารณาเวทนานั้นมันเกิดความเข้าใจว่าเวทนานี้ไม่ใช่เรื่องของจิตเลยเป็นคนละส่วนกันโดยตรงเ <cloud> <g ly> มื่อเข้าใจเช่นนั้นเวทนานี้มันลอยออกมาจากความรู้สึกเลยนะมันคนละอันกันมันเหมือนเราเอามีดตัดอะไรสักอย่างขาดเป็นสองท่อนไปเลยปริวหวือลอยออกไปจากใจเลยมันคล้ายๆกับนิมิต ทำให้เราเห็นชัดๆเลยว่าโอ้ยมันเป็นคนละอันกันจากนั้นมามันสบายนะครับคุณหมอแต่อย่าให้ผมบอกเลยครับว่ามันสบายยังไงขอให้คุณหมอปฏิบัติไปเดี๋ยวจะรู้เองเห็นเองตามนี้แหละตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ผิดเพี้ยนเลยแต่ทีนี้จะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงลองเอาไม้มาตีหัวดูซิมันจะร้องโอ้ยไหม ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเวทนาไม่อยากมีใครเห็นหรอกเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองไม่น่าดูเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักทั้งๆ ท, ที่จิตไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยจิตเพียงรู้เฉยๆเวทนาเป็นเพียงความจริงอันหนึ่งเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปที่ท่านเรียกว่าไตรรักนั่นแหละใจมันยอมรับว่าสิ่งนี้มันคนละอันกับจิต คนละอันกับรู้คนละอันกับกายเพราะคนตายไม่เห็นมีความเจ็บเลยเช่นเอาไฟไปเผามันไม่เห็นมีความเจ็บเลยก็เพราะอะไรก็เพราะมันไม่มีความรู้สึกเราก็แยกออกไปได้อีกความรู้สึกไม่มีสิ่งที่มันจะรู้ร้อนก็ไม่มีสิ่งที่มันจะรู้หนาวก็ไม่มีสิ่งที่มันจะรู้หิวก็ไม่มี ก็หมายถึงรู้ที่เรามีอยู่ทุกคนนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายมันก็มีรู้ตัวนี้นี่แหละอย่างไส้เดือนมันก็มีรู้ตัวนี้เขาเรียกว่าจิตไงแต่ไส้เดือนมันรู้แล้วไม่มีปัญญาเช่นมันตากแดดอยู่กลางแจ้งมันก็คลานไปได้วยความร้อนคลานไปแต่ไม่รู้ว่าจะคลานไปไหนพอคลานไปคลานไปยังไงก็ไม่พ้นแดดสักที เพราะความไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญาไงจริงๆแล้วปัญญามันก็ไม่ใช่จิตอีกมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จิตยืมมาใช้เฉยๆก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละก็ว่าไปปัญญาก็คือความคิดที่ยืมมาใช้แยกแยะพิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงคือทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของจิตขันห้านี้แม้เราตาย มันก็มีอยู่ให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นนะเพราะจิตนี้เป็นผู้ยืมสิ่งเหล่านี้มาใช้ถึงเวลาก็วางไปเมื่อวางแล้วมันไม่ได้หายไปไหนมันก็อยู่ตามเดิมเหมือนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆใครจะเอาไปใช้ก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของกลางเป็นของสาธารณะเป็นสมบัติเป็นส่วนหนึ่งต่งหากออกไปแต่ด้วยความไม่รู้ของเรา ก็เหมาว่าเป็นตัวเราเป็นเราขันท่าทั้งหมดมาเป็นเราเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้ความอยากความหิวความอิ่มรสชาติที่กินเข้าไปเราก็ว่าเราได้กินทั้งนั้นจริงๆนะเปล่าเราไม่ได้กินเลยได้สัมผัสเฉยๆเหมือนกระจกสัมผัสรสหวานรสเปรี้ยวรสมันรสเค็มแค่รู้เฉยๆ อวิชามันก็บอกเรานั่นแหละว่าได้รสหวานรสเปรี้ยวรสมันรสเค็มกินได้อิ่มจริงๆแล้วอิ่มมันก็เป็นอาการหลอกตัวหนึ่งหิวก็เป็นอาการหลอกตัวหนึ่งเป็นเวทนาความสุขความทุกข์เป็นเวทนาที่เราต้องทําความเข้าใจทั้งนั้นเลยเมื่อเข้าใจก็หมดปัญหาเข้าใจแล้วไม่มีอะไรวุ่นกับอะไรเลย แต่จริงอยู่เราก็ต้องกินไปตามธรรมชาติที่เราเกิดมาแล้วรับผิดชอบกายนี้เกิดมาแล้วจะเอาไปทิ้งที่ไหนก็ต้องรับผิดชอบตามกรรมที่สร้างไว้สร้างกรรมมาอย่างนี้ต้องใช้กรรมให้หมดก่อนเกิดมาหิวหิวก็ต้องกินเจ็บก็ต้องรักษากันไปตามธรรมชาติอย่างนั้นนะครับคุณหมอเมื่อกี้คุยถึงการทาสมาธิ คุณหมอก็อยู่กับตัวที่มันเบาที่สุดนั่นแหละแล้วราคาเป็นเวทนาหรือเปล่าครับเป็นเวทนาตัวหนึ่งราคาก็เวทนาคือจิตยังสำคัญว่าเวทนานี้เป็นตัวเองใช่ไหมครับใช่แต่ว่าได้เสพ สุขตัวนั้นเราชอบเหลือเกินก็นึกว่าเราได้เสพจริงๆแล้วมันเป็นเพียงจิตได้เห็นอาการเหล่านี้เท่านั้นเองเห็นว่าเราสุขในขณะที่เราสุดยอดขึ้นมาเสียวขึ้นมาถือว่าเป็นเราเราเสียวว่างั้นจริงๆแล้วมันก็ปรากฏให้เห็นเหมือนกับเราได้เห็นสายลมแสงแดดอย่างนั้นนะครับคุณหมอแค่เห็นเท่านั้นความเจ็บก็เหมือนกัน เห็นว่ามันเจ็บอย่างนี้จริงๆแล้วความเจ็บมันไม่ใช่ความเจ็บคุณหมอลองพิจารณาให้ดีอันนี้เล่าเกินมาหน่อยหนึ่งความเจ็บเราพิจารณาดูว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกก็ขามันไม่ได้เจ็บกระดูกก็ไม่ได้เจ็บเนื้อก็ไม่ได้เจ็บหนังก็ไม่ได้เจ็บแล้วอะไรที่มันเจ็บก็คนตายไม่เห็นจะเจ็บเลย ถ้าเอาจิตออกไปแล้วหนังล้วนๆก็ไม่เจ็บกระดูกล้วนๆก็ไม่เจ็บเอ็นล้วนๆก็ไม่เจ็บเลือดเนื้อตรงไหนไม่เห็นเจ็บเลยเอาแล้วถามว่าอะไรมันเจ็บก็เวทนามันเจ็บละมัง้งเวทนามันไม่มีชีวิตมันเป็นของตาอยู่แล้วมันจะไปเจ็บตรงไหนแล้วอะไรเจ็บล่ะทีนี้ไล่เข้ามา ไล่ไปถึงใจใจเจ็บหรือไงเอ๊ะใจก็ไม่ได้บอกว่ามันเจ็บใจมันเจ็บได้ที่ไหนก็แค่รู้เมื่อใจเจ็บไม่ได้รู้เฉยๆคือเห็นเฉยๆใจเราก็เหมือนสายตานะครับตาก็แค่เห็นแค่ดูสีเขียวสีแดงสีเขียวเป็นอย่างนี้สีแดงเป็นอย่างนี้ สีเขียวสีแดงมันไม่ใช่ตานี่ครับเวทนาก็เหมือนกันกับสีแดงเอาอย่างนี้ดีกว่าหากว่าใจเปรียบเหมือนสายตาดวงอาทิตย์เปรียบเหมือนเวทนาลองให้สายตาเราไปสัมผัส ด, ดวงอาทิตย์ดูสิมองไม่ได้เพราะเป็นเวทนาตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ดวงอาทิตย์เขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาสว่างเกินไปสายตาก็ไม่ได้บอกว่าเขาสว่าง คือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นอะไรเจ็บหรือเวทนาตัวนี้ก็เป็นสัญญาเก่าของเราที่ไปบอกว่าตัวนี้มันเจ็บจำได้หมายรู้กันไปอย่างนั้นว่ามันเจ็บเราไปติดบัญญัติเฉยๆว่านี่เรียกว่าเจ็บความเจ็บจริงๆแล้วมันเป็นนามธรรมอันหนึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับจิตมันไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่เกี่ยวข้องกับรู้เลย เวทนาเป็นอันหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีเจ้าของตัวเวทนาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บจิตเองก็ไม่มีฐานะที่จะไปบอกว่าเขาเจ็บถ้ามันไม่มีความคิดแต่นี่จิตเล่นเอาความคิดมาบอกว่ามันเจ็บมันผสมประสานกันเหมือนข้าวเหนียวน้ำกระทิอย่างนั้นนะครับความหวานความมันความเค็มมาประกอบกันเป็นข้าวเหนียวน้ากะทิไป ความอร่อยจริงๆแล้วไม่ได้บอกว่าอร่อยเลยคือจิตเท่านั้นที่ไปสำคัญมั่นหมายอะไรต่างๆนาๆความเจ็บก็เหมือนกันนะหันมาพูดถึงความเจ็บอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีความคิดมาบอกว่าเจ็บแล้วมันจะเจ็บไหมละ่ะหรือว่าไม่มีอะไรเจ็บจิตก็เจ็บไม่ได้แค่รู้ถ้าความเจ็บนั้นมีอยู่แต่เราไม่เรียกว่าเจ็บ แล้วทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนคำพูดแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรดีละ่ะให้มันสวยๆหน่อยจักระจี้ได้ไหมหนาความเจ็บอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นจักระจี้มันก็คงได้แต่เราไปติดตรงคำว่าเจ็บนี่แหละกลัวจริงๆเลยแต่ยังเวลาเสพการไม่เห็นบอกว่าเจ็บเลยมาเรียกสมัยว่ามันเสียวนะเออจริงๆแล้วมันเป็นเวทนาตัวหนึ่งเหมือนกัน อาการเหมือนกันเลยความเจ็บกับความเสียวอันเดียวกันเลยแต่ว่าหน้าตามันผิดการเหมือนกับคนสองคนแต่เรากลัวความเจ็บมากกว่าแปลกไหมครับนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะมันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆสุขเวทนาทุกเวทนามันเป็นเวทนาเดียวกันแต่ว่ามันเป็นสองคนมันเป็นสองอย่าง มันเป็นสองตัวมันเป็นสองลักษณะก็ว่างั้นเถอะลักษณะหนึ่งเราชอบอีกลักษณะหนึ่งเราไม่ชอบมันก็เป็นเพียงชอบกับไม่ชอบเท่านั้นเองคุยธรรมะแล้วมันนะคุณหมอคุยแล้วมันครับแต่ว่าประเด็นนี้ผมต้องไปพิจารณาอีกหลายรอบเพราะผมยังแยกไม่ได้เลยครับ ใช่มันไม่รู้ทีเดียวหรอกเพราะว่าจิตของเราเคยโดนปิดบังมาไม่มีประมาณเลยดำมืดมาตลอดอยู่ๆเราจะให้มันสว่างวับขึ้นมาไม่ได้มันก็เป็นของยากเหมือนกันนะค่อยๆพิจารณาไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นแหละเพราะพุทธเจ้าท่านเห็นแบบนี้เห็นอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละท่านจึงเอามาสอน และเอาของจริงๆมาสอนด้วยไม่ใช่ตกแต่งขึ้นมาหลอกลวงชาวโลกเปล่าๆเลยท่านเอาของจริงที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดจ้าๆไม่มีปิดบังนี่แหละไม่ได้แต่งเป็นละครเป็นหนังมาสอนแต่งนิยายขึ้นมาหลอกกันเฉยๆก็ไม่ใช่เอาความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมมาพูดมาสอนเป็นสัจธรรมเป็นความจริง เพราะฉะนั้นความจริงอันนี้ใครก็เห็นได้ถ้ามีดวงตาที่มันสว่างมีวิชาที่มันฉลาดไม่ใช่มีแต่อวิชาที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรปกปิดตัวเองมาตลอดจริงๆแล้วเรื่องที่เปิดเผยนะมันเป็นสิ่งที่เปิดเผยอยู่กลางแจ้งเลยโอ้โหมองดูแล้วก็เห็นว่าเราโดนหลอกมาไม่รู้กี่กับกี่กันไม่มีประมาณ คุยแล้วสนุกดีคุยแล้วสนุกคนพิการก็สามารถปฏิบัติได้อย่าไปคิดว่าต้องเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าต้องเป็นนักบวชเท่านั้นนะจริงๆแล้วคารวะมีครอบครัวก็สามารถปฏิบัติจนถึงมากถึงผลได้เหมือนกัน